พระพุทธคุณเนะี่ยนะที่เราได้ศึกษากันตั้งแต่ปดว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิธูอนุต t e ปุริสธรรมสารเถสสาธาเทวมนุษสานังพุทโธนะนะแล้วก็ภควาอันนี้เป็นพระพุทธคุณเนี่ยนะก็คือเน้นพิเศษคือพระคุณธรรมทั้งหลายซึ่งพระพุทธคุณนั้นทั้งตั้งแต่อรหังเป็นต้นไปนะั้นไม่ได้พูดถึงรูป พูดถึงตัวคุณธรรมคุณธรรมที่เกิดจากการอบรมที่เกิดจากการสร้างบารมีนะซึ่งเราไม่ได้พูดถึงพระสรีรักคุณไม่ได้พูดถึงพระปุพพจริยาคุณก็คือบุญบารมีที่พระองค์สร้างมาแต่พูดถึงคุณสมบัติคุณธรรมที่มีอยู่ประจำใจของพระองค์มีอะไรบ้างนั่นนะไลายตั้งแต่พระองค์เนี่ยเป็นพระอรหันไกลาจากกิเลสกําจัดฆาสึกคือกิเลส หักซีกรรมแห่งสังสารจักรไม่มีความลับในการกระทำบาปแล้วก็เป็นผู้คู่ควรแก่เครื่องสักการะทั้งหลายมีปัจจัยเป็นต้นนะไม่ว่าจะเป็นจีวรกระว่าเครื่องนุ่งหม่มอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องสักการะพิเศษเหล่าใดเนี่ยนะถือว่าสมควรคู่ควรแก่พระองค์ทั้งหมดถามว่าทไมเพราะพระองค์สามารถยังสักการะแม้เล็กน้อยของเขาเหล่านั้นเนี่ย ให้ได้รับผลมหาศาลเพราะถ้าว่าเราจะกล่าวเจาะจงเนี่ยนะเจาะจงบุคคลที่ให้รับทานพระพุทธเจ้าเป็นปาติปุกลิกทานเนี่ยนะบุคคลที่สูงที่สุดที่เป็นนาบุญสูงสุดถ้าพูดในรายบุคคลนะจะเอาบุคคลมานั่งเรียงตัวกันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะปุถุชนเนี่ยนะทั้งโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวก็ประเสริฐกว่าอยู่แล้ว หรือแม้กระทั่งว่าพระโสดาบันพระสกะทากา ม, มีไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยนะนในโลกพร่องทั้งเทวโลกตลอดพุทธเขตนี้ น, นะตลอดก่อนที่จะมีพระพุทธศาสนากําลังมีพระพุทธศาสนาหลังนั้นผ่านไปพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพราะว่ามนุษย์ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีคุณธรรมถือว่าสัตว์สองเท้าเป็นผู้ประเสริฐ น, นะเพราะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสา ม, มารถ ไล่แต่จะถึงเทวดารวมทั้งพรหมพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็แปลว่าในภพสามกำเนิดสี่คติหวิญญาณทิติเจ็สัตตาวาสเก้าเนี่ยนะไม่มีกลุ่มใดบุคคลใดที่จะเลิศเสมอเหมือนกับพระองค์พันบุคคลผู้บูชาพระองค์แม้เพียงเล็กน้อยพระองค์ก็สามารถยังสักการะของบุคคลเหล่านั้นให้ให้ได้รับผลภัยบุญที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะพระองค์เป็นผู้ที่มีความ บริสุทธิ์เนี่ยนะบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาแล้วก็บริสุทธิ์ทางจิตใจแล้วก็จิตใจนั้นเป็นใจที่บริสุทธิ์ไม่ใช่บริสุทธิ์แบบใสธรรมดาแบบน้ำน้ำเนี่ยเป็นความใสที่ไม่มคีคุณธรรมอะไรอยู่ในนั้นแต่ความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเป็นความบริสุทธิ์เพราะประกอบด้วยการุณาประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยอนนะ สติสัมปชัญญะประกอบด้วยฮิริโอตปะประกอบด้วยสมาธิเป็นต้นเนี่ยนะคือคุณธรรมเหล่าใดที่ควรประดับใจอันะคุณธรรมเหล่าใดที่ควรมีอยู่ในใจพระพุทธเจ้ามีส่วนแห่งคุณธรรมเหล่านั้นทั้งมวลมันคุณธรรมทั้งมวลที่มีอยู่ในพระองค์นั้นพระองค์สามารถที่จะบริโภคใช้สอยคุณธรรมเหล่านั้นเมื่อใดอย่างไรที่ไหนก็ได้เช่นพระองค์เนี่ย เข้าพระสมาบัติได้ชั่วเวลาลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะมันหายใจเข้าหรือหายใจออกพระองค์ก็เข้าสมาบัติได้ก็เรียกว่าเสวยอรหัตอรหัตผลสมาบัติได้นันะพระองค์จะเข้าฌานสมาบัติเนี่ยชั่ววินาทีหนึ่งเนี่ยเข้าสมาบัติได้หลายร้อยสมาบัติก็ได้เพราะความเป็นผู้ชํานาญพระพุทธเจ้านั้นผวังขจิตพระองค์เนี่ยเกิดเล็กน้อยมากเนี่ยนะมันชาวนาจิตเนี่ยเกิดมากกว่าและชาวนาที่ ชำนาญได้รับผ่านการฝึกผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะอันพระองค์ก็จึงเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ประกอบด้วยคุณธรรมที่เรียกว่าเอาขอคุณงามความดีในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเนี่ยนะหรือสิ่งที่เรียกว่าผู้มีคุณงามความดีเอาคนดีๆเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหรือเอาในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารวมกันคุณธรรมของบุคคลเหล่านั้นก็ไม่ได้เศษเสี้ยวเท่ากับพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนอย่างว่า เราจะไปรวมเอาแสงหิงห้อยมาทั้งโลกนี้เลยยังไงมันก็ไม่ได้สว่างเศษเสีเส่ยวของดวงอาทิตย์เอาช่างเถอะจะเอาแสงสว่างเอาหลอดไฟนีออนเนี่ยนะหลอดไฟทั้งหลายในโลกมารวมกองกันทั้งหมดมันก็ไม่ได้สว่างเท่ากับดวงอาทิตย์เอาดวงจันทร์มาประกอบกันหลายดวงก็ไม่ได้สองสว่างเท่ากับดวงอาทิตย์กลางวันดวงอาทิตย์สว่างสวยัยกลางคืนดวงจันทร์เนี่เจีมกระจ่างแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายานะพระพุทธคุณเนี่ยนะพระองค์ผู้มีปัญญานั้น สว่างทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะพระองค์มีปัญญาสอดส่องรู้ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันนั้นบุคคลใดเนี่ยนะบูชาผู้ที่มีคุณธรรมการบูชาเหล่านั้นจะมีผลมากมีอ น, นิสง์มากเปรียบเหมือนอย่างว่าถ้าเราเอาของฝากเนี่ยนะไปฝากบุคคลธรรมดา ท, ทั่วไปเนี่ยควรจะได้รับผลตอบแทนเท่าไหร่ถ้าเอาของฝากเครื่องสักเครื่องของฝากเนี่ยนะไปฝากกับ คนที่ไม่มีคุณธรรมเลยได้รับผลตอบแทนเท่าไรถ้าเอาของไปฝากคนดีคนมีศีลคนมีคุณธรรมเอาของไปฝากพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยนะหรือถ้าเพียบเปรียบในโลกก็บอกว่าเอาของไปฝากชาวบ้านทั่วไปกับเอาเครื่องบรรณาการไปถวายพระราชาผลที่ได้รับการตอบแทนอันไหนจะมากกว่ากันเนี่ยนะถ้าหากว่าเป็นพระราชาผู้ทรงธรรมมันพระราชาผู้ทรงธรรมคือพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระธรรมราชาเนี่ยนะ พระธรรมนิสอนเนี่ยนะพระธรรมสามีเจ้าของแห่งธรรมเจ้าของแห่งมรรคผลนิพพานเจ้าของผู้บอกแนวทางเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานนั้นพระองค์จึงเป็นบุคคลที่คู่ควรแก่เครื่องสักการะคู่ควรแก่เครื่องบูชาทั้งปวงเลยนะแล้วก็พระธรรมตสมมาสมพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เป็นคนดีเฉพาะตัวคือบางคนเนี่ยดีก็ดีเฉพาะตัวแต่ความดีของพระองค์ไม่ได้ดีเฉพาะตัว เมื่อพระองค์มีคุณงามความดีมีความบริสุทธิ์แล้วพระองค์ก็ช่วยให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับความบริสุทธิ์ด้วยช่วยให้ผู้อื่นเนี่ยถึงความบริสุทธิ์ไปด้วยพระองค์เนี่ยเป็นผู้มีปัญญาพระองค์ก็ช่วยให้ผู้อื่นนั้นมีปัญญาไปด้วยพระองค์เนี่ยมีศีลมีสมาธิมีคุณธรรมนําออกจากทุกขพระองค์ก็บอกสอนแนะนําชี้กล่าวตักเตือนให้บุคคลเหล่าอื่นเนี่ยนะได้รับคุณธรรมเหล่านั้นเพื่อการตรัสรู้ตามด้วย มันพระองค์เนี่ยถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วพระองค์ก็ช่วยให้ผู้อื่นถึงที่สุดแห่งทุกข์ด้วยพระองค์เนี่ยเดินทางถึงสถานที่เกษมปลอดภัยแล้วพระองค์ก็ยังบอกแนวทางเพื่อให้บุคคลเหล่าอื่นเดินไปตามทางเพื่อถึงความเกษมปลอดภัยด้วยมันอย่างพระธรรมคำสอนที่เราเรียนรู้เราศึกษาอยู่นี่ก็เป็นแนวทาง เป็นหนทางที่พระองค์ได้เคยบอกเคยสอนเอาไว้ดังนั้นถ้าเราดำเนินเดินตามหนทางที่พระองค์บอกกล่าวแนะนำสั่งสอนเหล่านี้สักวันหนึ่งเราก็ติดตามพระองค์ไปทันเพราะว่าทันตรงไหนทันการรู้ยิ่งทันการกำหนดรู้ทันการละทันการทาให้แจ้งแล้วก็ทันการเจริญเพราะว่าพระธรรมทั้งมวลที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ต่างกันพระนิพพานที่พระพุทธเจ้าเห็นกับพระนิพพานที่ พระโสดาบานันพระสกทาคามีพระอนาคามีเห็นผ้ารหันเห็นไม่มีความต่างกันผ้าเรียเจ้าทั้งหลายที่มีในอดีตเห็นพระนิพพานนิพพานเดียวกันเพราะว่าธรรมที่ดับทุกธรรมที่สงบทุกมีอันเดียวเนี่ยนะมีอยู่สิ่งเดียวสัจธรรมที่เป็นความจ ร, ริงที่สงบจากทุกเนี่ยเป็นเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นเนี่ยนะไม่มีเครื่องเปรียบนั้นพระพุทธเจ้าในอดีตอนาคตหรือพระพุทธเจ้าปัจปจุบันก็ตรัสรู้พระธรรมคือพระนิพพานอันเดียวกันนั่นเอง ไม่ใช่ว่ามีใครผู้ใดผู้หนึ่งไปตรัสรู้คนละอย่างเป็นต้นและข้อปฏิบัติเพื่อให้ตรัสรู้ทําทั้งมวลเหล่านั้นข้อปฏิบัติเพื่อทําให้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานเหล่านั้นมันก็ข้อปฏิบัติอันเดียวกันเนี่ยนะก็คือพระพุทธเจ้าทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันก็ล้วนปฏิบัติตามสติประธานสี่สัมมาประธาน4อิธิบาสี 4, อินสี่ห้าพละหโ พ, 5, พชฌงเจ็อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แดําเนินเดินตามหนทางเดียวกันเท่านั้นแหละ นะเดียวกันแต่ว่ า, าแต่ละยุคเนี่ยห่างกันมากห่างกันจนที่เรียกว่าชื่อแม้แต่ชื่อว่าพุทโธยังจะไม่ได้ยินเลยจะกล่าวไปใหญ่ถึงการเกิดขึ้นห่างกันมากขนาดนั้นเมื่อมันห่างกันมากขนาดนั้นถือว่าผลงานทั้งหมดจึงเป็นของพระพุทธเจ้าพราะนันถ้าหากว่าเราได้ศึกษาเรียนรู้ประพฤติปฏิบัติตามก็เพื่อการตรัสรู้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ว่าเป็นเหมือนกับเรือน้อยที่ล่องตามเรือใหญ่เนี่ยนะเปรียบเหมือนกับคนที่เดินตามเดินตามถนนหนทางที่บุคคลผู้จัดสรรหนทางซึ่งเป็นทางตรงทางอันประกอบไปด้วยองค์แปจัดแจงจัดสรรเอาไว้แล้วเนะนี่ยนะอันถ้าหากว่าเรามีเป้าหมายมีความมุ่งมา่ปรารถนาที่ชัดเจนว่าการเจริญกุศลธรรมนี้จงเป็นไปเพื่อรู้ตามที่พระพุทธเจ้าบอกให้รู้เนี่ยนะขอให้ได้ละสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกให้ละ ขอให้ได้ทําให้แจ้งให้พบให้เห็นให้ถึงที่สุดทําที่พระองค์บอกพระองค์สอนให้ได้เจริญให้ได้ปฏิบัติตามด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนี่ยนะกายวาจาใจเราใดที่เจริญแล้วก็ขอจงเป็นไปเพื่อได้รู้ยิ่งได้เห็นตามอนนตะได้ตรัสรู้ตามด้วยเถิดเนี่ยนะเราก็ตั้งเป้าหมายเนี่ยนะกำหนดทิศทางเพื่อจะดําเนินเดินตามพระองค์เนี่ยนะเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะยืนยันได้ว่าเราจะต้องตรัสรู้ ธรรมะอันนั้นอันเดียวกันกับที่พระองค์ตรัสรู้เพราะอะไรเพราะเราเอามาตรฐานของการรู้เห็นคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นเป็นมาตรฐานทั้งหมดซึ่งธรรมะเหล่านั้นพระองค์ก็บอกพระองค์ก็สอนเอาไว้อยู่แล้วถ้าสําหรับบุคคลผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเนี่ยนะเคารพนับถือพระองค์จริงพุทธพจน์เหล่าใดถ้อยคําเหล่าใดที่พระองค์ตรัสเอาไว้บอกสอนพุทธพจน์ทั้งมวลเหล่านั้นนั่นแหละเป็น หนทางที่เราให้ได้ให้เราปฏิบัติพ้นจากทุกข์ตามไปด้วยนะซึ่งคําสอนเหล่านั้นเนี่ยนับหนึ่งก็คื อ, อทำคําสอนที่มีรถเดียวนําออกจากทุกข์แบ่งเป็นสองคือทำกับวินยัยทำแปลว่ารักษาทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกต่ําออกไปวินัยก็กําจัดความชั่วด้วยกายวาจาใจแสดงไว้โดยนิยะต่างๆแบ่งเป็นปิดกสามก็คือปิดกสาก็ศีลสมาธิปัญญานั่นเอง พระศีลก็คือพระวินัยปิดกพระสูตรก็สุตตันตปิดกก็คือสมาธิอภิธรรมปิดกก็คือปัญญาก็คือคำสอนย่นย่อลงมาก็คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญา น, นแบ่งปัญ น, นิกาย5ก็เป็นการสอนตามจริตบางคนชอบฟังพระธรรมที่ยาวโปรงก็สอนทีคณิกายบางคนก็ชอบฟังปานกลางโปรงก็แสดงมัชฌิมนิกายหรือบางคนชอบอธรรมะเป็นกลุ่ม เป็นชุดๆเป็นต้นเนี่ยนะกลุ่มขันอยนะิยตนาท่าต่างๆพระองค์ก็แสดงตาม จ, จิตาตามกลุ่มตามอัธยาศัย น, นะยาวบ้างสั้นบ้างตามสมควรแก่อัธยาศัยหรือบางคนชอบตัวเลขเนี่ยนะชอบตัวเลขก็ต้องนับหนึ่งอันนะถ้าหนึ่งฉันจะรู้ได้ถ้าเกินกว่านั้นไม่เอาละ่ะมันพระองค์ก็แสดงเอกานิบาตหมวดหนึ่งเป็นพันสูตรเนี่ยนะ บางคนก็ชอบหมวด2อพระองค์ก็แสดงหมวดสองเป็นทุกขานิบาตชอบหมวด3ามพระองค์ก็แสดงหมวด3มหมวด4หมวดหหมวดหหมวด7็หมวด8ดหมวดเ้าหมวด10หมวดสิบอดหรือว่าหมวดเกินสิอขึ้นไปเนี่ยพระองค์ก็สอนตามจริตและอัธยาศัยหรือบางพวกเนี่ยจะบรรลุได้เพราะหัวข้อธรรมห้าห้าหัวข้อท่านก็จะมีการสอนพระธรรมแบบห้าห้าิข้อเป็นต้นคือตามแต่จริญตามหรือชอบตัวเลขขาที่สุดไม่ได้พระองค์ก็สอนให้ ให้เขาสามารถเจริญประพฤติปฏิบัติในคุณธรรมอันหาที่สุดมิได้งั้นพระองค์จึงสอนธรรมทั้งโดยย่อและโดยพิสดารหรือบางคนที่ชอบเป็นปุคลาธิฐานเนี่ยนะยกตัวอย่างที่เป็นบุคคลเรื่องราวนะเรื่องราวที่กล่าวถึงอดีตอาอดีตทั้งหลายที่เคยมีมาแล้วเช่นเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวตัวเองในอดีตพระองค์ก็ยกประวัติของบุคคลนั้นมากล่าวให้ฟังถ้าเขาจะตรัสรู้ธรรมราะ การกล่าวถึงประวัติของเขาในอดีตหรือประวัติของพระองค์ในอดีตพระองค์ก็แสดงชาดกต่างๆออกมาถ้าหากว่าบุคคลเหล่าใดที่จะตรัสรู้ทมเพราะการแสดงภพภูมิต่างๆพระองค์ก็เปิดให้เขาเห็นเกี่ยวกับเรื่องภพภูมิต่างๆเพื่อเขาจะได้ตรัสรู้หรือบุคคลเหล่าใดที่ชอบทำมาที่ฐานอย่างเดียว อชอบธรรมะอย่างเดียวเป็นสภาวะธรรมอย่างเดียวเป็นภาษะเวทนาสัญญาเจตนาเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีสัตว์บุคคลปราศจากบุคคลมีแต่สภาวะล้วนๆเนี่ยนะสภาวะที่เสื่อมสิ้นสลายไปสภาวะที่สวยอารมณ์สภาวะที่จำหมายอารมณ์สภาวะที่ปรุงแต่งอั น, นความรู้สึกนึกคิดหรือตัวความคิดโดยนิยต์ต่างๆทั้งโดยแง่วัตถุอารมณ์และก็โดยปัจจัยโดยต่างๆพระค์ก็จะแสดงแล้ว อันนะหรือจะแสดงแบบบัญญัติเป็นเรียกว่าธรรมะบัญญัติเนี่ยนะบัญญัติเป็นขันเป็นนัยตนะเป็นธาตุหรือว่าจะแสดงโดยบัญญัติกับปรมามัตดควบคู่กันไปเรียกว่าธรรมาธิฐานบุคลบคลเทศนาบุคคลเทศนาเป็นธรรมาธิฐานยกบุคคลก่อนหรือว่ายกธรรก่อนก็ตามแต่จริญอัธยาศัยซึ่งพระองค์เป็นพระธรรมราชาสามารถจําเนกจัดสรรปันส่วนพระธรรมของพระองค์เนี่ยให้เหมาะกับจริญและ อัธยาศัยแต่พระองค์ก็คือพระราชาผู้ทรงธรรมไม่ใช่ว่าไปชุบใครขึ้นมาก็ได้ไปเศษใครก็ได้เพราะพระองค์จะแบ่งพระธรรมตามบุญตามวาสนาตามจริตตามอัธยาศัยคู่ควรแก่บุญวาสนาของบุคคลเหล่านั้นถ้าถ้าบุคคลเหล่าใดสั่งสมบุญวาสนามาดีพระองค์ก็สอนทำตามบุญตามวาสนาของเขาพระองค์ก็ช่วยเฉพาะคนที่เขามีศรัทธา พระองค์ช่วยคนที่มีวิริยะพระองค์ช่วยคนที่มีสติพระองค์ช่วยบุคคลที่มีสมาธิพระองค์ช่วยบุคคลที่มีปัญญาก็แปลว่าคนมีบุญเนี่ยนะคนมีบุญแล้วที่สั่งสมไว้แล้วในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆในอดีตเป็นต้นพระองค์ก็ช่วยขวนขวายให้บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นได้ตรัสรู้ตามได้รู้ตามได้เห็นตาม